โทษก็เห็ในอยู่ในใจทุกที่เกิดจากโทษก็เห็ในอยู่ในใจทมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกโทษหมายถึงความผิดทุกหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิด ท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็ อ, อยู่ในจิตแห่งเดียวกันวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์มันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมาก ในนักปฏิบัติเราสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลังใจกว่าอย่างอื่นสีงก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนอยากโทษส่วนอยากที่จะแสดงออกมาทางกายทางวาจานีมีใจเป็นตัวการสำคัญ เราก็ได้รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าทรรมประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีเนี่ยสงสัยทมเหล่านี้ เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดสองมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภาในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วและแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการ้วนแล้วแต่โทษ ส่วนทำไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากทมก็ประกาศตังวานมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นกอสอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผล ที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝุกผลทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญ ง, งอกงามขึ้นภายในใจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็น เรื่องที่หนักอยู่มากทั้งหลาผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งตำบลใดและไม่ทราบประเด็จรับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาครับเค้ า, ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคู่ไปตามกัน เก่งๆกลางๆเล่นๆดันๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์มันได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากเพื่อความดีงามก็พอทำเนามากเพื่อความเหลวไหลเลวแหลกนี่สิจ่ทำให้แหลกประจําตามกันหมด ควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติยานเห็นแจกความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจําเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้านยังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศจ้งวานอยู่ ทั่วแดนโลกอาถาตก็ประกาศแต่ทมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใค่ต่อกิธิ์อันเป็นกองเพิงทั้งหลายจะคุกค้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความความความนความอุตสาพยายาม มีจริงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนกับสอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องนี้เหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าจิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการแก้ไขาการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลกก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเนะราหวังผลประโดดยชน์อะไร ทำไมเพิ่มพูน ด, ด้านธรรมะขึ้นพิริยะก็ต้องเพิ่ม <c oughs> คือความเพลี่ยนอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตอนเองในกา ร, ป, รกปฏิบัติภาคผยนสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย สติเป็นของสาคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบทใดให้เป็นเหมือน ก, นกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์ต่อการต่อสู้ย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอมนาจเหนือกว่าอยู่ยแล้วทาไมอริยศั์มีเต็มอยู่ ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจิงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจิงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหน สัจธรรมมีอยู่ในกายในใจมี แ, แท้ๆทุกที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีจริงเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ปรุงตลอดเวลาสำคัญมานหมายอยู่ ตลอดมีอะไรเข้าไปหัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดท้านต้านทา น, ทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผิดขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญา ในเลี้ยแหลกแยกเนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกของสมุดไทยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียนอยู่ถามมาเป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดสดร้อนร้อนอยู่แท้ เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานีน่คว้าไปตามเวลาเวลาตามระดูการตามสถานที่นั่นที่นี่ตามเอียบบทนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวลาเวลาใดๆเลยแต่เป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบั น, นธรรมหรือว่ากิเลสปกอเป็นปัจจุบันของมันดูนั้น ธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรมยิบยกขึ้นมาพิจนารณามเมื่อไรก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทําไมจิงไม่รู้มาเห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทา ง, ทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนและเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เอาตัวของเราหนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีต มาจงกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้ามชนจะเป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี้เลยปิย้งไปเหมือนลูกพูดบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นมัตตผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอ น, นี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่นาแปลกประหลาด น่าติดตกติดใจอ้อยอิ่งใยึดให้ถือให้คอยตามตลอดเวลาไม่เวลาเจืจั๊กจือจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยดเยะเท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนผู้นอนจมอยู่ในกองทุกนี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจริงให้น้ำขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ <c oughs> ดังพระพุทธเจ้ า, จาอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นพอพ้นจากสิ่งโศกปกโสมมุมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองใดก็ตามไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้ า, จาพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูดกองคู่คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ว่าได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้น ธรรมที่ท่านในบรรลุท่านเกท่านเอกจารสลุก็เป็นธรรมวิเศษเราเคยเห็นที่ไหนว่าอิเลสตัวราคะวิเศษโทรศัพวิเศษมูฮวิเศษความรับความทางความเสียดความถูกวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้ขงหวนอนักหนายิงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกรอมตลอดเวลาการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่ เป็นรวนผูกมัดรัดลึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดตรลึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหากรองทุกข์ไปโดยลำดับกำลานในภพชาตินั้นๆถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปทํามืที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมี ทำพาสันโลกให้หมุนเยียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดจากเจิดตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำประหาสัตว์ที่โลกได้ลมจมกิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวสารไม่เคยมีเมแต่ให้วิเศษวิสูทานั้นดิบดีขึ้นไปโดยลําดับลานาจนถึงขั้นวิเศษวิโสไอที่กล่าวมาลรา นันมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพลาให้จัดรับความทุกข์ความยากความลำบกความทร ม, มานความต่ำช้าหรือสารเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบบทุกที่ตรงนั้นคาว่าไม่ได้แบบทุกนี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง แต่ยังไงก็คือตัวภัยทําไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวภัยก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ดูดลอยออกจากสิ่งที่พักสังคมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นเรื่งเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐ ความเพียรเราทํามจึงให้กิเลสเยียบย่ําทําลายอยู่ตลอดเวลามันพิเศษเลอะเหลอในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเยียบย่ําทําลายไม่ว่าอิยาบทใดประกอบความภากเพียรนี่แต่เรื่องของกิเลสเยียบย่าทําลายอยู่ทําเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเพิกหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดต่อต่อเนื่อง ความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่พีแทรกมิตลอดเวลาล้วทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่เองมีแต่พิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเดียวนี้มาพูดต่อสู้คนเช่นนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตาย ถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมูเพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดเอมันมีส่วน่โสูอะไรธาตุขันนี้ดูิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราวเป็นน้ำล ม, มเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลย มีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสำคัญก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้าประทานวันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ป ร, ราบวัฏจักร วัตจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยกออกให้เห็นตามความจริงขางมันตั้งแต่ผมผนเล็ฟันหลังเนื้ อ, เ อ, เ, อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกุณโสโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยัง่านยังแสดงอนิจังทุกขังตาท้าบลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นมังหนักไป เราอยู่กับกองนี้จังเป็นความสุขแล้วเหรอดูกับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรอือดูกับม น, นาตากอดความกอดอนัตตาอย่างว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั่นมันเป็นความสุขแล้วเหรอถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทําไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทําไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจังทุกข์อนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประสุดจริงๆ โรคนี้ควรจะประสูตเป็นนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชี่ยงเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองจึงได้สอนให้พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเห่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภยัภยไปได้โดยลำดับถอนได้โดยชิ้นเชิงแล้วก็ภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซาบลงไปเพราะกิเลสสิ้นซาบ นี่เลยสอนทรำๆสักๆ ส, สอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วทั้งปั่นนี่สังขาหน้างายก็ร่วงลุยลงไปร่วงลุยลงไปหมู่เพื่อนควยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเพื่อนทรรนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อคะแนนแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไง ตามปกติก็ไม่ประชมเพราะเหนื่อยลำบากในท่าในะขันแต่ก็ทนเอาพอถูถ่ายได้จึงต้องลงมาหูเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยท้งหน้าทางตาประพฤติปฏิบัติการจากสิ่งที่เป็นค่าศึกคำว่าค่าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นเหียงนะไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใด ไฟสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกประยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันที่เลข ก, ก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคือหนึ่งประ ก, กอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างด้วยบวกโรคปูนหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพิการณาเปลี่ยนแปล ง, ง, งแก้ไขเป็นอย่างไร ไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะบางกิเลสมีแหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็คืเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดนันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะช้าสติปัญญาให้ มีความละเอียดจะพลิแกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเปล่นแปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำแล้วละแลอะ อยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสีย ใ, ในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาว น, นาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงนเรื่องของกิเลสความเพ้อเลือความเลื่อนล อ, อยหาความภาเปียนไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จัดทวงเอา มรรคผลพพาณอ้อทวงมรรคผลพิพาณจากกิเลสมันได้ไปไหนถ้าไม่ทวงจากอัตจากธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นมุนแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยยาวละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานมา 2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราพุ่งปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมทอยต้องควรที่จะขยับขยายก็ควรพยยิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีที่จะมาใหม่ก็มี หัวใจมีคุณค่าโดยกันมีความมุ่งหมายเหมเดียวกันทงนี้ก็จะแน่นแน่นอัดแน่นตลอดเวล า, าอุตมาม่ยอารมณ์ศึกษาก็ไม่ได้เรื่องจุดท้ายผู้อยู่เก่าก็มาไดเรื่องอีกแน่นอัดจะมีในกลายเป็นข้องอื่นข้องปลาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องเลยแต่ควาจะจะลงมาน้ำร้อน วัดก็เลยเป็นเหมือนคล้องปลาไปสิอมัน ล, ล้อมรอนหมดเวลาคักกินาโทสักกินาโมหกินาเนีจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะ้นระยะนี้นะทำให้คิดอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำส่งสอนการอบรมตั้งต่อภรษามาแล้วนี้ สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนกาอรอบรมสั่งสอนมีเพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบว่าจะขาดไปในบางครัง้งมูอเพื่อนอมาเรืเ่อยเรืยมองมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมด อะไรมันขวางถ้ามันจะเรื่องของกิเลสมันจะมาขว า, า, างไม่ใชไหมเป็นเรื่องความผิดความทาาความไม่น่าดูความข้างความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันด้วนแน้วแต่เป็นเรื่องครังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้จริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้ เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจรพิสูจ์ในตัวเองมีอะสำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ใกล้ๆให้มองเห็นให้รู้เขียไปต้องกำอะไถึงไหนมันรู้สึกหน่อยแล้วยึดเพียงแค่นี้ยุดไปนหน่อย ขาดกันสำหรับใช้มามันฉันบุไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนระวางไลก็บิรมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก่อนรื่วทั่วทั่วทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจรินมีน้ำซ้ำนงโรูหัวใจน้งฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยพรแต่จะกำเริกมันทำให้ยุตกวิจาร หมูถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์งตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่ฉันกำลังเราเองแล้วไม่ยิ่งตุกจานเนี่ยเพราตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี้มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธานุเรื่องขันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสม ม, มุติจริงๆว่าไม่ยิ่งตุกิจัน นั่นมาเป็นกังวลกับมามันเป็นสัตว์เป็นสวนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติเจ็ดที่ยิ่ตกกังวลนั่ น, นเป็นหองมากก็คือเพื่อนสูงนั่นเองีมาศึกษาอบรมอันนี้ทาให้เป็นห่วงอูมากเพราะครูบาอาจารย์ที่ใ้อัดให้ทำก็รู้สึกว่า่อยหอล่อลงไปทุ ว, วันท ว, วน นม่มีชีอยู่ท่านก็ไม่สามารถคือจะนำอใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บันจุไว้ภายในจิตใจของท่านมื่อเครื่องมือไม่อํานวยกัวชานไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นถึงประคองขันเขาก็จะปะกอบประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองในเวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรขันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจิตท่านจะเป็นอะไรจิตท่านไม่เคยผ่านนี่ งานไม่เคยจิตการงานอะไรแบบน้สุกว่ายุ่งยากมากอวัดนีน่อยู่ย่อมมันมันขวางตาขวางใจเงเลยจะกกายเป็นยุ่งเป็นกายเป็นลงอายใจมาพอวันพระวันเก้ า, าแล้วก็ความสียง่ปงัปงตังยิง่ ง, งไม่ใช่วันเก้าก็เลยยิ่งเราไม่เคย ม, มนีมันขวางขวางหัวใจอะ นี่จิตใจภาพก็จะหลาเอ า, ป, าประจวัตถุนันตามสิ่งนั้นสิ่ง น, น, น, น, นี้ไปด้านอัทถาม็มันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมันมอดลงไปนี่อันนั้นการ ง, งานงต่างๆอะไรราดนี้มันค่อยแทรกขึ้นมาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่งทำลายทำที่หายไปหมด อย่างนั้นมันติดง่ายของเรางยากวัตถุมันติดง่ายห้อมเป็นม่เหล็กของจะเด็กอยู่แล้วมันดูได้ง่ายแต่สมาธิทำปัญญาทำไม่ไ้ไม่เกิดมดีบ้างได้ไม่มากกว่าอจะจะพังไป หนไม่ทราบว่าม า, มาจากที่ไหนที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวงผมเองมันก็เยื่อแล้วเหรอมันยากเกินกว่าที่จะไปถามสุกถามทุกถามการตายกันมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกอยในตัวของมันนี่แล้วจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะยิ่งเขาปากเขาโลกไปแล้วตะวางไง ลุงก้ามาลาเหมือนกันฉะนั้นลุงมาแคนี้ลุงมาอย่ายุ่งเขาปาดูกระรูดอย่างนี้เพื่อนทำไมตั้งแต่ในขานนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพองมันก็พอมันอย่างันใจมีอยู่ทาไมจะไม่รู้ไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกี่ยนชะตานี่กองพความสงสารเอง พอคูดกางไปแล้วก็พูดการไปามทางเจ้าของเองเงินมันมางอะไรนะปล่อยมันไปนานแั้วนี่วันไหนวันวันไหนกวันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินน น้ำก็น้ำลงก็ลงไปก็ไปเพียงไรกัมันมันก็เต็มอยู่เยดินด้วยน้ำดินะ่มด้วยไฟในโลกอันนี้มันบอกพร่องที่ไ้นใครจะเอาเป็นมักเป็นผลมันก็รวยกันทั้งโลกน่ะใครจะมีความบกพร่องมาบุญทุกกันทาไมแต่นี้ไม่ใช่มรรคแต่ผลนะฮะอยู่ในกลางน่ะมันก็เป็น ดินเป็นน้าเป็นมเนมันหยดตามัหลักธรรมชาติมันกเสสมมาาไปหนมันก็ไม่ไปกินมันหดตัวเขมาหดตัวก็มางันทุกวันนี้นับปีชาตอะไรหดเข้นมาสมายอายุขนานี้รู้สุขภาพเราลงในใจนี่ช้ามันมีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บังมันไปนานน่ะนะที่ผม มันคือมันจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่นั้นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายๆพอพยุงก็พยุงไปเหมือนก็บยารักษาโรคทําโมโหสดรักษาใจเหนนั้นกันยังพอพยุงกันตายก็พยุงมันไปอ หรือว่าก็าแล้วนะปล่อยเสียเหมือนกับยาบาคนเข้านะมาวัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะระวังมีไมเลยชินต่อสิ่งนี้นะหัวใจนะมันชินมันกลมกืนอยู่กับคำต่างหากนี่ทำเหมือนกับว่าอะไรมาแตกไม่ได้ว่างั้นเลย เพราะอย่นั้นทีนีจะขาดตัวบทฟ้องนี่ไ ม, ม่ถือมันสาคัญอะไรมากเลยไม่ถือแปรลมยิ่ยงกว่าทำถ้าเห็นหมือเหือะแปรมืแปรตาเขามันสะดุดสดุดสะดุ ด, ด, ด, ด, ดคือแปือแปตาคือว่า้าศึกมมามันจะมาเหยียบย่าทาลายธรรมนี่พยายามเจ้านอนไว้ต่อไปทำมันจะไม่กรรมจะไม่มีนี่น ม, นมีแต่วัตถุเต็มไปหมดศาสนาวัตถุเลยที่ไม่จะ่าสนาธรรมเลยนะ มันอยู้หลางเนี่ยรู้หลังมาจะอะไรกับมันทินน้งตรงนี้มันเต็มเป่นดินอยู่แล้อาศัยไปเท่านั้นเองทําต่างหากิเศษิมประเสริฐมัมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี้มันไม่มีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแด น, นโลกธาตุนี้นั่นทำ้เพียงนั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นเน่ ยังนนเห็นจริงว่าเจ อ, อ, อยู่อันนี้ก็ยุบลอบอันนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะม่ขยับเต่อังนี้มากๆภาวนา ก, นนากมันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำมันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและการภาวนาน้ำ น, น, นิสัยผมเป็นอย่างนั้น ผมไม่เคยพูดในหมู่ก้อนฟังส้งมาอะไรก็ได้เข้าคันทดลองกันไปสักก่อนอันที่ได้อันนั้นออกมาใช้ละทีนออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดดวยาล้ไม่จนกรอกมันก็โอ้เออโอ้เออนมันจนกล่องจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนลงไปหาตีมันตาย มันจะทุกขณะไหนจิตมันก็รู้กันอยู่นี่มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตาค น, นนี้วันนี้เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้เจ๊จิตนี่เป็นนักรู้สุดค้นกันไปถูกมากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหนงังทำให้เตื้อมถึงความจริง ท้ามันกับทะลุไปเลยอือเป็นอย่างนี้เหลือลนะทีนี้ทำไมจะไม่ได้คําพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วคำพูดคาพูดนี้เอามาจากความรู้นั้นน่ะทําไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้มันสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้ไปอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้อย่างที่ว่าทำทำนี่อ มันไม่มีอะไรเหมือนอ้าวต่ว่างในสามแดนโลกธานไม่มีอะไรเหมือนนู้ น, น, น, น, น, นแต่กระพาพูดได้ว่าทำทำกระพูดเถอะธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้ตัวนู้นนั่นจะว่างเลยผึงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทําได้นอกจากใจทางหูจมูเลี่ยงกายและหมุนนี่กระชากไปคนลนแบบ้็ยิบงแบบไปเยอะ นันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมผัสทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นจึงปรับใจให้ดีนะควจะสัมผัสสัมพันสทําในท่านสมาธิก็ให้ด้วยสัมผัสสัมพัสในใจ น, ในั่นเอปราบเข้าไปปรับเข้าไปทําไม่อยู่แล้วมันคือเพราะว่าปราบับผิดไม่ถูกเพรา ะ, ะนั่นเองปัจจุบันนี้ก็อรอเวลาทําไม่เคยล่าสมัยมันล่าสมัยหนึ่งคือพิเรพายล่าลรืนี้ ทำไม่ได้ทา น, านมีวงในวงนอกกันบ้างเลยเหมือนก็ต่อยมวยไปโชคมวยกันก็ดีอยู่เหนวไล่ไปเรื่อยๆเหือไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกําลังใจก็ไม่เกิดกําลังใจเป็นสาคัญมากนะถ้าลงมีกําลังใจแล้วมันพุ่งพุ่งพุ่งเราเห็นว่ากําลังใจสําคัญมากทีเดียว ของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกําลังให้มีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตอนนั้นน่ะนั่นละ่นนละความ ก, กาลังขึ้นที่ความจริงนั่นเพราอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนอันนั้นเจจรียกว่าอาจจะรักษาได้เคยรู้ไป เ, เห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาเวลาที่ต้องการก็าตาม แต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้ไมิตรจะขุดค้นไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นข้าไปถ้าคุณจะยิ่งเลยนะให้ยิ่งขึ้าไปกําลังใจมีแล้วมันพุ่งพุ่งยืนเดินหกล้ ง, งกล่อมมั น, นยังจิดมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมี เงย้าวขาไม่ออกไปบินตะบ่าหมว่าก็จะไม่ถึงบ้านโอ้มันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ตั้งแต่ดุงนุ่มอยู่ด้านน้าออกด้การฝึกการทรงานทีนี้จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะฮ่อเหอนเดนฟ้าเน่ะแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปไปฉันนะจิตมันแทนที่มันจะก็ะยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นอืมแต่ถ้าไม่ฉันให้มันก็จะตายจะไม่ได้ทำคุณ ถึงที่ถึงฐานจําเป็นต้องยาวากันไปแต่ฉันนั้นแล้วก็รู้อีสายดังย่าวเวลาเกิดกันมันเป็นอย่างนั้นทําไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันนั่นก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งขั้นที่ต้องถูต้องไถนี้มันต้องถูไถแกันมั่งวันหนักก็ต้องหนักกันมั่ง ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดอะนั่นมันหากเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาตโนมัิอย่างนี้อ่านว่ามหาหรือผมหาปัญญาเราได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพัสกันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงันเดียวกัน กิจที่มันเคยงูเงาเต่าตุ้มคือคืบคันคานล้มลุกคุ่คานั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่เป็นตัวใหม่ขึ้นมามันขั้งตัวทุ้มหยากหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีแค่อย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันถล่มรับเลยทีเดียวอยู่เฉยเมื่อไห จระทังไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้ว e. like. enfin <gal entrepreneur |id|>. ย <damn> ุติชีวิไปเองธรรมะทั้งส่วนเรนอนตะแถน่นาทำไมาจันคืบครานก็ไม่ถึงอย่างนกวันผมมีวิโตวิจารณมากตรงนี้เทะเทศความคินให้ฟังถึงไม่เต็มหน่วยทุกเนี่ยทุกมนึ่แต่เวลามีกําลังบังชาสุขภาพอํานวยอยู่ประเทศให้เต็มเหนียวทุกวันนี้มันม่ไดเรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้ว วางเลมือถึงไม่หยุดเลยมันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้หลีเปิดองปิดตาใจปิดจริงๆะปิดเหมือนปิดตาเอาของตอมเข้ามาห่อไว้มั ด, มดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาโะบอดหูหมด ไปที่ไหนจะถูกที่ใหญ่จูงไปไม่ได้ไปโดยลําพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นรูปคำๆไปหนีมันโดนนั่นโดนนี่ลกดุกุ ก, กครางทลอกปอกเปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นอืมมันก็โดนโดนโดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผลวงสุทธาจะมีแต่อกองทุก มันนี้จูงปหากองคิดมันผิดอะไรคนตาบอดฟังถึงใจเองกินมันเปิดออกจากเมนูที่มันถึงจะได้รู้ครัดเจนอย่างที่ว่าอาวกาศของจิตอวกาศของธรรมอากาศของโลกอากาศของธรรมไม่ผิดกันอันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่ อ, องตัวอย่างว่าหินมุมหมด หมดสิ่งลึกลุดแล้วก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างหยือไหนก็เหนืออย่างนั้นไม่มีคําว่าการสถานที่อาการลิกขิตพอแล้วเพราะการเป็นการตายที่กําหนดมัญหาอะไร <c oughs> เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ปุงมันหนักทำไมรูปมันจะทุกอย่างแล้วนี่ อยู่เท่านั้นเองอยู่กับรู้ๆนั่นเท่านั้นพอดีกับอนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักอันลำบากมันดูดมากนะเวลารวมแรงดูดจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะวิะเศษดูดจิตมันดูดขนัดนั้นนะนั่งภาวนาเจ้คู่เจยามนี่เหมือนกับเอกไปฆ่านั่นะมันดิ้นโดนกน แปลงไปหมดแนละ้วข้อกล้าข้อสู่สมาธิได้บ้างนะเออความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดอีกสงบเย็นแต่ก่อนนั้นไเย็นนี้มันยุ่งกับอะไรตัวอะไรปรุงนี่กับปรุงเรื่องของกิเลสพิตเตกิเลสทำ ง, งานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะดจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดน้ำตา อันไหนก็คมขามคมขามก้าวอั้นคมขามนนคมขาม ม, ขามิดมืขอขวกตกานาง้ า, าบอดแล้วตากก น, น้ <c oughs> อจะมีแต่ขวาตานางเมื่อคิดไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นเลยคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเดิหมนี่ยิ่งสาคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่คือในละมาพูดเ ว, ว่ามันเวลามันเบิกออกเบิกออกทะลุชัดเข้าไปชัดเข้าไปคิดก้าวเข้า สู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม้ีิเลสยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทใหญ่ๆแล้วนมันทั้องอบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นท่นจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตัวแล้วมันเข้าฟันกันในครอบนี่นเอม สมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาดเป็นฐานนะอาที่นี้มีกําลังปัญญาคลี่คาเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นมักเป็นตอนนะไรกิเลสตัวไหนาขาดไปตัวไหนาขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จะไม่ทันนอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสเปสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบงค์กิเลสไว้เท่านั้น เวลาข้าง่งเป็นเรื่องของปัญญาออ่ารู้ได้ชัดเลยละเอียดเทลายสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปตามไ ป, ามไปทานกันไปเรื่อยข้างไปเรื่อยมันจะออกมาจากไหนจี้เลยมีแต่ค่าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นมาเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันมันไม่ผิดนะถึงขั้นค่า้มีแต่ค่า้ทั้งนั้นจี้เลยโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มากก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้ว เป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำกลัวยิ่เละสะทกสะทานตรวยิงไม่มีมิได้ขยับหาท้งนั้นนี่เขี่ยวนาะนจนอะไรไม่มีอะไรเหลือแนละ้วจะค้นหาอะไรเนี่ยหมดกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาหยุดบนร่างมีสบาย ทุกเวทนามันเกิดังมากทําไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปฝงอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดลงมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเป็นไรก็ต้องบัรลังสมาธินี้พังเลยครับโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันตีแต่ทางนั่นปัญญาแล้วทีนี้สมาธิมันเป็นของมันเองเน่าอัธจรรันทร์เลย เราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนาออกมาิจารณาหนึ่งกายวิจารณาจิตทำล่มระนาวสูดทุกเวิทนาไม่ได้กายวทนาเนี่ยวิจารณาสูเวิทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่ยมันแตกงมันเองผมเป็นมาหมดแล้วนี่ยวันคืนไม่คิดเราจะภาวนาตลอดรุ่มอนหรเลยนั่งภาวนาธรรมดาทิ้งที่ภาวนาภาวนาไปทุกวิทยานันเกิดอย่างที่นี่ก็สงบแล้วจิตสงบแน่วลีจากนั้นมา ทำทุกขวเบ้อนามก็ขึ้นเหมันหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่าโรคใหม่จร้งจริงท่าความสงบนั่นรือบรรลังเลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยอนกรทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี้เป็นสมาธิเองลงแนวเป็นเอง อันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภท น, นี้เป็นสำหรัสบสมาธิก็มีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลธรรมะที่นั่ น, นอับ ป, ปนามันก็เลยมันอะไรพูดไม่ถูกนะอับ ป, ปนาเราก็เคยเป็นนี่แนววตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้ นี่มันทัญญากระหนาดนั้นอัญญามันก็ยุ่มแต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นะ่นแล้วอัปัญญาผมก็พูไม่ถูกแต่ว่าลูกผูดลงวงๆมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นป่นแน่นเลจรไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนะัเรื่องหน้านของปัญญาการพิจารณากาย น, านอกกายในนั้นไม่สําคัญไม่ถืออะไรนะมีความสำคัญเท่ากันขอแต่ความถนัด ความกำหนัดของจิตเกิดทำพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกเสก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งคึกคึงไปนะักพิจารณาแยกแยะกันเอามันหลายครัง้งหายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวอยู่อย่านั้นะนะทำพิจารณากายวิภาคมันเจอจะมาวะิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกกับวิภาคหน้าวภาคคือแยกแยะออกนั้น ธนวิภาวิภาคภา ค, คือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหา a แปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจรารณาเป็นปฏิภาคนะคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคแปลว่าส่วนอุกห h a ยกขึ้นอุกนีม้มีปฏิภาคมนุษ ยกว่าลูกกาได้มาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกําหนดพิจาราตัง้งแต่ผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเยี่ยงไปหนึ่ทางเวลาไเห็ น, นตอนกิเลสมันหลอกเราเายัง ห, ห, หลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงกิเลสด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นกิเลกก็มีอย่างกิเลสมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันกิเลสว่าอันนั้นมันสวยไม่งาม อ, อันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันน่ะ <c oughs> นี่เป็นฝ่ายมาก นั่นเป็นฝ่ายกิเลยการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกกาห์นี้เป็นปฏิภาวนี้ยกขึ้นแล้วแยกแยกะหนอมเป็นฝ่ายมากนี่มันมพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาภายในเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมัน พอมืนมันลู้เองเวลาพอไม่ว่าสุภาพภายนอกภายในไม่ว่ากายเข้ากายเหล่ามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นนี่ยันไดพูดถึงเรื่องสุภาพสุภาพโนรามันผปล่อยทั้งมันมันผ่านตรงกลางนะไม่ได้ไปสุภาพไม่ไปสุภาไม่ไปสุภาพนั่นนะมันเห็นอย่างนั้นดินักปฏิบัติไม่มีใครบอกมันก็รู้มันหืมถ้ามีอยู่กับทุกคนจําเป็นอะไรจะต้องไป ดูแต่ในแบบแผนระมัดจำลาอย่างเดียวแล้วมันธรรมมีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปขี้เล็มีอยู่ทั่วไปธรรมนั้นเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นเลไม่ต้องไปดูตําราขี้เล็ดก็เกิดอืไม่ต้องไปดูตําราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของขีเ้เล็ไม่ต้องดูตําราก็เกิดขี้เล็ดนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นแน่ไหน แต่ขะ น, นังมันมีสิ้นสุดเมื่อไหรอันนั้นยังมีกําหนดกันไว้มีแปดหมื่นสี่พัน ม, รรมาทัอาคารนั่นฟังด้วยอันนี้พระพันถาจนาอาจารย์เกิดจะรูกันไหมอย่างนั้ น, นกระเพอประมาณตามกําลังของท่านถ้าตามกําลังของผู้ทีจ่จดจารำมาแปดหมื่นสี่พันพระกรรมอาคารความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมัน ม, ม, มันมีกําหนดเมื่อไหรไม่มี แต่ข้างหนงออกไปไม่มีขอบเขตทางพระแม่หูจันทร์ท่านพูดที่เรเขียนไว้ในการต่อต่อปัญหานะั้นดูเอาดมันเกิดได้ทุกเวลามีเวลาท่านจึงพูดว่าทำที่มีในกำีพเหมือนกำ น, น้าในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายหลายขึ้นที่นอกกำไพนีเ่เหมือนน้าในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามาหาสมุทรตั้งดิ จิตมีขอบเขตเมื่อไหรเมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันก็ะจายไปหมดเลยจะเ อ, อะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะอืมจี่ประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขงังแวกว่าหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกถานุจะว่าอะไรจะมาพูดอะไรแปลกหนีพันธมร์ผีพันธมร์ขันเท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้น มันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเลยมันถึงชัดเจนว่ะอย่างวุฒิเจ้าสอนโลกลายนี้เข้ามาเป็นอย่างหนึ่งลายนั้นเข้ามาเป็นอย่างนึ่นนนมนงมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันเมือไรนิสัยผลการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนามานิสัยไงมาก็ต้องตอบอนั้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับจริยธรสมผู้นั้นได้รับประโยชน์เ น, น, น, น่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายลายายลายไปเลย มั่ท่านทำไมเลยไปหาขุนพ่ว้าง ม, มาจากไหนเราเพราะท่านภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับมีแล้วนี่นอกจากไม่นําออกชายตามเหตุการณ์ตอนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็นําออกช้าทันทีทันทีทันทีทันทีนไปหาขว่ามงมาจากไหนข้าไม่ทันถ้าไปหาพ่อทำไมทันตายทิ้งเปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความไม่ความกับอยู่กับนั่นเลยที่วางถืออยู่กับมือแล้จ้วงเข้าไปเลยที่วาง แทงกันไปเลยเราหนุนตัวทงหนูจำอาถารพ์ผู้นี้นะเรื่องอย่างนี้อาถารพ์ตงที่กิอือไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่างนั่นถ้าองค์กิจไปพ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่างั่นเฮ้ยเว่างไปหมดไปได้หมด รู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมากีดมาขวางได้เล ย, เลยความกีดขวางก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดนี่น่อยมีกิเลสสิ่อย่างเดียวอะไรมาขวางจีดประเภทนี้กีดดวงนี้วะน่ั่นโลกนี้มีหรือเหมือนไม่มีเมื่อจีดไปสัมปัดคำปัดสิ่งอย่างเดียว อ, อวืเวิงว้างไปหมดโลกธาตุนี้วะ กิจตั้งหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากนี่ไงเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่าหายไปเสียแล้วอะไรจะพาให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิจล้นล้นไปทำล้นลนแล้วไปติดอะไรกับอะไร ม, มันไปคล้องอะไรไปคา อ, อะไรไมันเหมือนทางอวกาศที่เวิ้งว้างไปหมดหลืมันมาค้าเราคอยดูสิแน่นไปหมดใครมาก็พัวเราพัวเรามาเรา ถ้าเราเป็นผู้ทําหน้าที่ถ้าท่านหลานเป็นแตช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานอ้อมเจ้าของกำลังเจ้าของดูช่วยได้เรื่องเรื่องใหญ่โตอีกทีก็เป็เรื่องของเราคผู้รับภาระผู้อื่นทําเพี้นไม่ได้อย่างนี้แน่แล้ก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยอนี้ทายังหูเบาคล่นเบาติดใจฟ้องแทง นำมาอุตส่าห์มืนายให้เห็นนะเมันเต้นกลางๆให้เห็นนะสิ่งที่เรบศึกษาได้ตา ก, ก็ดูเลยศึกษาได้ตาด้วย ห, ยยหูตับกียางอะไรหมกเรื่องตัวการอยู่ใหม่ทำใหม่ให้ดูนำมากดถวงกันให้แบบให้หามําหนั ก, กเปล่าๆแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบบคนทั้งที่นะมันหนักมาก ความมัากเหมือนกันอันนี้หนักมากเลยอารเกลยจะอยู่ตรงไหนมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันีโรกี้โกธี่หลงคนต้องขี้รู้ไหมอืมหนักตรงนั้นแหะแบบคนต้องขี้ขีโลกี่โกกี่หลงขี่เกียดี้้ามันจะี้กกลัวมันหนักอยู่ ผไม้เราเยอะท่เด็กคนไทยเราใครรถบ้างก็ปุ๋ยของสารกัดทำไม่เพื่อตั์นะนี่ตันมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่ท้องิตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหาจินกันนี่่ของเขาแล้วเขาภูมิใจมากจนเป็นจริงเขามาอาศัยเราแต่นี้ไม่มีที่ไปที่จริงพขาไปต้องอาศัยเราเราต้องไปหาจินงนะเราเห็นมั้ยเส้นผลไม่อย่งนี้มันทันมื่อมอ เห็นก <behav> ่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนนล้วมันที่สาของเขาก็หาสิ่งคุ้มปากคุ้มท้องเขาต้องช่วยตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อพอมีฝนหนากมากถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างไรหนาดูสิเราไปพูดเล่นของเขาคู่กินไม่เท่าเยอะกินคุยจะคุยจะกินอ่ะไม่มีเยอยาบหยาบบุ๊ก เป น, นี้เหมือนกันนอนนี้ก็เลยเกิดถึงหวงแล้วเราตะกอนพอมันสูกขึ้นมานี่แจกวันนั้นวันนี้ตลอดประชาชนแล้พอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ได้ห่วงเลยนะห่วงว่าเพื่อสัตว์แลว้วไม่แจกใครอ่ะนอกจากมันถูกพร้อมกันมากๆแล้วัวสัตว์จะดีไม่ทันเานั้นก็แยกบ้างแจกวันนั้นวันนี้สงสารทม่ทานรหัวใจเหมือนกัน ทีความัำเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดเป็นมดมันเอาเป็นของมันเองนะมันซื้อไปหมดคืนเช้าไปก็มีเพือนเอาอาหารมาให้มันแล้วน้องมาเล้วนะเรายังเที่ยวด้อมๆไปดูอยู่ตอนเช้าเราเดินคมเราออกเที่ด้อมไปเที่ยวดูนั่นคีณเพราะความสงสารนั่นแหะไม่ใช่อะไร ไยินเสียงตะแปลงที่ไหนไปนที่บุกป่าก็ไปไล่เียื่อโคมขามโคมคั้มน้ำอะไรไม่ว่าพะสงฆสานสายงานสายเรานี้เต็มไปหมดไก่รัวเยอะๆันไม่มีกัวพราเอย่างนี้เป็นสัตว์บ้านทัหมดแลนี่ทางกรมผมนี่น่าดูนะแต่เราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันอ่ะุยเขีย อยู่ข้า ง, งทางกรมหลวงตอนเดินอยู่กรมหนวงช้าะนะไม่สนใจเวลาเลยแสดงว่ า, ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเรามาทํลายมันไมไมแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสมเกีดูนะคืกคนมันร่มรเย็นไม่มีอะไรทําไมได้คนไม่เป็นภัยแค่อย่างเดียวดนะังนั้นมันก็เย็นเปหมดสัตลูกตัวเล็กเล็กเล็กเล็ ก, ลกยิ้มยิมย้มยินมยิ้มยอยู่กับแม่นะแม่เราคุยเสียกิน มันฝึกลูกมันน่าดูนะเราดูมันฝึลูกมันเวลาอยู่ในคริโล โ, โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะ อ, ออกไปที่โลกนี้แม่มันทาแม่ ท, ทาท่าป๊บปั๊บปั๊บป๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บไปตามถ้าออกนโกแล้วจะต้องเปน็นอย่างนั้นมึงสอนดิมีแย้กวมันนะอุอ้ย อ, อายอีอ้ยอายนั่นอู้ดีแค่นี้ มัน่ายแล้วความมุงสารมันทำให้ยักอันนี้ก็เดินไปนี่ไปนี้บางคืนพุ่งอลกไปคุณไปดไปคุยนไปเดินในายน่ไปไปบางทีไปก็เห็นพระคุยกันอยู่สามุติแต่ไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานะคาถามนะผมไล่หินจักวัดเลยเนะอย่าว่าผมไม่บอกไะ จะมาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คนะือเรื่องคือเรื่องโลกเรื่องสารอย่ามาคุยให้ยินนะอย่าให้ได้เห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปนั่นนะ่ะผมบอกว่ามังเลยว่าผมไปยื้ยนๆนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้เนะ่ยรองเท้ามันดังกุกรับกรับไม่ใช่เดินไปก้ม ก, ก, ก, กันหมุกันตายกุ้งแห่งนั่นไนงะไฟก็ไม่ฉายว่าง่ายเวลาจะเป็นปีนั่นนะ นั้นเราสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงหมัวเพื่อนหวังนี่ตรงหัวเพื่อนมนันก่เก่งกล่างมาคุยเรวมนั้นรวมนี่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไมได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัด น, นะมีใครเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านีน้ทุกวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยอยากไปแต่ถึงง่ายมันก็ไปวเวลาจะไปไม่มีสาษาเดินมืาาดมก็มืดเถอะนั่นไปได้สบาย ท่านคุยกันท่านคุยสังเลกาธรรมทางกุตการสังเลขกระถาเครื่องกัดเกราวด้วยอัปิจิตาเป็นต้นปไปจนตั้งถึงิมุดมุติยารัตนาอัปิจิตาสันโดษ <c oughs> เลื่อยไปภางาักนิกาวิยาลัมพาเวกตา กาไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปวิทยาศาสนาะสิบข้อฉันเลยกระทำนั่นกล่าวส ม, มุนได้กระถาเครื่อนยืนหนึ่ ง, งได้คติดักกันละกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่กุญแจเหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรนี่จะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมึงมีโอกาสคุยกัน แ้วต่างคนต่างรุ่นคุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมนุนจึนหาในเรื่เวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่จะรับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆนั้นมาจากป่านั้นนั่นมาจากเขาลูกนั่นเวลามาพบคุยกันสนุกกัน พ่อแม่ผู้จ้ยงเป็นศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วแต่อยู่บ้านโคก น, น้ำมนต์เหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านน้ามนต์หัวหิบนาที่นวนเต็มมาอยู่น้องขืนแตอารมณคนนิสัยเวลาออกไปคนเดียวแล้วมันเอาจริงๆเอาไปตายที่เข้ามาพ่อแม่ผู้จ้างหรือเข้ามารับการอบรม ต้อช่วยพระะท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพาเอมีมากจริงๆกัลางๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นและผมไม่ได้เบานะนาอยู่กับพ่อแม่โคจรเป็นหูเป็นตาคอยสอดค อ, ดสอดยส่องพานเององไหนไม่ดีกี่เวหลงทิศไปหมดพานเน ม, มาทะลึ่งผมไม่ได้แต่นาจะไลน์มาอยู่กับพแม่โาจรก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเดียวพ่อแม่โคจรเป็ลายใดแล้วท่านไล่ทันดีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะ เมื่อมันสูญิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเดียวท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเราเองเราคอยสอดสองดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองนี่ไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองนั้นท่านหนักใจเลยไปยัวยัวเยี่ยยเยีย ย, ย, ยไม่ได้เลื่องหนึ่งเ ล, เลาเรานี่ยยิ่งจะตาย ท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ถ้าพระเนรเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่พระเนรเป็นยังไงท่านท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาหลับไปไว้กี่วันปัญหาอยู่ในนะัเลยถามเรื่องอยู่สบายๆคนเดียวนะ่แนาแสงวางนั้นมีปัญหาทั้งมันเป็นอุบายทั้งนั้น <c oughs> เวลามาแล้วก็ต้อง ตาต้องสอดต้องสองอะไรต้องทําก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมุนเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวกับหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดกันขวัญนี่หรองเรานั่นแหละลงก่อนะข อ, องไหมัน ด, ด, ด, ดื้อดาเดี๋วกี้เอากี้เอ า, เอามันไม่หนักได้งไรรงเพีนั้นหเวลาออกไปคนเดีย ว, น, ยวนันง่งมีคนเดียวนล้วหยดผึ่งผึงคนเดียว พ่อแอาจารย์ปกติท่านมาอย่างลมไปแล้วแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็ได้รับความสะดวกกัอนห น, นึ่งจากเราคนบยากบนเราดูนั่นก่อนเรียบร้อยอันนี้กอัน ก, งกางๆของห้องตาท่านหมักนะักพอเราไปนี่จะแสดงผ่าหัวหน้านเห็นที่ท่านก็แก่อันขี้เกียจ ด, ดุ่ง แต่มันก็ขวางอยูนได้มันทำมาแกันคุยกันนะโสนุกอยู่ธรมะกกั น, กนถ้าแดงก็ดีนะแต่ขอขนญภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นยัไงดูนะที่อยู่นอุบลวรรณนเนี่ยต้องมาไปก่อไปสร้างบุรู้แล้วนะ้ะงหลเป็นนะั่นแหะเรื่องความไม่รับความระวังยากอยูอย่นะคือคิดยังไรก็ทํา นกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงกี่สิบจิตมีศักยิคุณมันไม่สร้างมันแบกกิเลนีทําไปเยอะมนจมไปเนี่ยเนี่ยท่านพวงงหนึ่งท่านพวงองคนี้ก็ออกทางน่านปริญัติเล่นเป็นเจ้าคณะอยู่ไหนเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรด้วยไงภาวนานหน้าฟัง น, นะท่านพวงลอดพราแม่จา้ย์นฟังผมนั่งฟังนั้น เวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆน่าฟังพอพระแ้่กุญแร่วงมาแล้วแกก็ไปอยู่ที่ท่านนาเวเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยแล้ไปใหญ่เลย น, นี่ น, นั่นก็มเสียหลักอย่างนี้ตอนั้นเลยไปยอยู่นี่ออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นพิเลลมันเตะจนออก นอกวงของทําไปได้แล้วนะเราเดซ่ามันสร้างที่ไหนไม่เ อ, อะไรเพรานี่ใส่เราเป็คนตับเดียวว่า ท, ทาําอะไรทําได้ยังไงยันพอนาเรามายุ่งไม่ได้วางนี่เลยบางคนยังพยายามทํ า, นนาะทอะไรก็ยิ่งทำไมเสร็จแล้วทิ้งพวกเนีสลัดปุ๊บลุกไปเลยไม่ทำเพื่อคนทั้งสากศักดิ์ ออกปฏิบัติมาไม่ได้คนเดสร้างอะไรจค่ออกปฏิบัติเรื่อยๆไม่ามาเป็ น, นหัวห น, น้นาหมู่เพื่อนมาทำเลยนี่้วจำเป็นําเป็นมาคนนี้มาห ม, ม, มู่เพื่อนของมาก็ได้ทำเลย้างยุ่งไปเลยๆสุดท้ายก็เลยเจลกลายเป็นโรงงานึ้นหมายมีวันหนึ่งเสียงก ม, มคำโกลมคทั้งวันั้งวันก่ วั น, นจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณถ้านะทำจทะอธิบายไปหมดอันนี้มันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทานะ น, นี้มันจะแทรกแล้วจะแทงขึ้นไปเรื่อยๆเลยชิ้นงันนี้มันแทงได้ง่ายๆนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใขรตั้งแต่จะเป็นบ้านเกิดผมผู้เพื่อนก็เห็นแค่หรือผมไมคุ้นกับใขรเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่ พี่ๆน้องๆก็ไม่นมายุ่งกับผมได้นี่ผมทําไปเป็นเสมอภาคไปหมดในความรู้สึกของผมผมไไม่ด้ว่านี้เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี้อันนี้ใกล้ชิดนั้นนั่นจะให้มีความหนักได้นว่นผมไม่มีนี่ <c oughs> คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่า น, นั้นพอผู้พีตีงงกับญาติกระวงกับพี่กับน้องนั่นผมไม่ได้ผม ใครๆก็คนเหมือนกันผอยู่บ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านนะที่ผมไม่ขึ้นเหมือแต่คุ้นก็ไม่พุ้นกับใครนอกจากเอาเรี่ยวมาใช้าตามธรรมดาที่ควรจะใช้ดังนั้น ม, มายุ่งกับผมไม่ได้ั น, นเหมือนกันหมด น, นุษยเหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความสงบป้าวเหมือนกันหลย วัาปฏิบัติมันเศรอบทำมันยังไงต้องไงนี่กู้หนักหนักนะสบายสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนะั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวราระกันก็จัดให้ทําตามนั้นหนึ่งยอย่าให้เคพื่อนใค้ขาดอย่าย ว, ว่าท่านมจะทําเราจะทําคน้นจะทำนี่กันไม่ได้นะถือเป็นความจําเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระเราไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระ หรื <c oughs> อเฉเหมือนสัตว์ไม่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์ก็เป็นพระทําครืองวัดปฏิบัติอะไรก็ทําเพื่อเราไม่ได้ทําเพื่อใครหนึนักบาມมากเนาะก็เพื่อเราทั้งนั้ น, นแค่คนมาบา้างผมก็ยิ่งยุ่ยโต ว, วิจัยกรหมูกกันมาได้ยุ่งเหมือนนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทาไมจําเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผม อยังมนการต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเพานั้นพอแล้วหนักแล้วผมมีแ่นั้นนะมีอะไรอีกอี่ขอนิสัย ไ, ไม่ได้ขอนิสัยเยนะ ห, หอก็เลิกกันแวเก็บอันมึน